ทโสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสรนสนีสนทนามาแล้วนะคะที่ฉันสันสนีนาคพงศ์ดำเนินรายการและมีพระเพรบุร์อภิปุโนโจากวัตป่าดอนหายโศกรอนธา น, นีจะมาให้ความรู้ในเรื่องของคําสอนของพระาศาสดาที่เป็นพุทธพจน์กับเรานะคะกรารถนาสการกับท่านเพรบุญค่ะเจี่ยบานเราว่ากันด้วยเรื่องของการดับความร้อนใจแล้วก็ค่อยๆก้าวหน้าขึ้นโดยลําดับ วันนี้มาถึงตอนที่ท่านอยากจะบอกอะไรต่อนะคะคือว่าในในชีวิตประจําวันของเราเนี่ย <c oughs> อ่าเรามีธรรมะอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วต้องบอกอย่างงี้อย่างเช่นว่าคุณตื่นเช้าอพยายามที่จะขุดตัวเองออกจากเตียงะแล้วเออฉันต้องไปทํางานนะความเห็นตรงนี้ว่าไ อ, อ้ฉันต้องไปทํางานหากินนะอ่ต้องทํางานเลี้ยงชีพยอย่างสุจริตนะอันนี้คุณมีสมาธิติดละแล้วคุณขุดตัวเองขึ้นมานด้วยความเพียร นะตรงนี้คือสัมมาวายามาละนะแล้วการที่คุณระลึกได้ว่าเอ้ยฉันต้องทําดีนะไม่ใช่ว่าทําชั่วนั่นะก็มีสมาสติละนะแล้วก็การปราโรคความเพียนการทําความดีพวกนี้เราก็จะมีอริยมรรคมีองค์แอยู่ในตัวเราบ้างอยู่แล้วันะคือเดินตามทางของมรรคอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยตอีนีถ้ถ้าเราคิดว่าเออเราเดินตามทางแล้วเราดีลนะตรงนี้ก็ถูกต้อง เราไปตามทางไปทางทางนี้เรื่อยๆโดยที่ไม่เป๋ออกนะแล้วก็ไปตามทางนี้เรื่อยๆคุณก็จะไปถึงนิพพานได้ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าไม่เป๋ออกไงอือค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ดิฉันได้กล่าวเรียนถามท่านค้างจากการที่ท่านพยายามอธิบายเราถึงเรื่องของอการที่จะแสวงหาทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทุกข์พื้นๆในชีวิตประจำวันนี่แหละท่านก็บอกว่าอริยมรรคนี้ใช้ได้เพราะว่า เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ไมครัและท่านก็ได้ตอบคำถามต่อไปว่าเอเราก็รู้อยู่แล้วอย่างเช่นเราเรารู้แล้วว่าต้องมีทิฏฐิที่ถูกต้องอ ม, มีความคิดคือดาริที่ถูกต้องนะคะมีอะไรล่ะการพูจาที่ถูกต้องใชมีความเพียรที่ถูกต้องอ ม, มีการทำงานที่ถูกต้องมีอาชีพที่ถูกต้องอ ม, มีความระลึกชอบ ระลึลกที่ถูกต้องแล้วก็มีความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องออว่าแปดอย่างเนี่ยคืออริยมรรคเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีอย่างอื่นประกอบขึ้นมาด้วยแต่อธิบายแยกแยะออกมาได้ดังนี้ใช่ค่ะแล้วก็ค่ะ ถ, ถ้าเราไปทางนี้เรื่อยๆคุณถึงนิพพานแน่นอนสบายใจได้เลยค่ะอะ่แล้วนิพพานนิพพานฟังดูเหมือนนานเลยใช่ไ ค, คือหมายความว่าเราจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้แน่นอน ดุจนเจ็บทุกข <จะ S 1> ์กแล้วแต่ว่าระดับไหนถูกไหมใช่ใช่ใช่ถูกต้องถ้าระดับพื้นพื้นก็บางทีเห็นได้เลยในเวลาไม่กี่นาทีอืมถูกต้องถูกต้องค่ะแต่ถ้าระดับที่เป็นโลกุ ต, ตละขึ้นไปเหนือโลกขึ้นไปก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยค่ะแ ต, แต่ก็จะไปตามทางนี้ไม่หนีจากนี้ผู้เจ้าก็เดินตามทางนี้มาค่ะและที่เนิ่งก็กลาบเรียนถามท่านว่าเอ๊ะอย่างถ้าเรารู้แล้วหลุดอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะที่ได้พูดค้างอยู่เนี่ยท่านก็ชี้ให้เห็น ใช่ไหมคะว่าการที่เราระลึกรู้ได้เนี่ยเท่ากับว่าเราก็ยังอยู่ในส่วนของการที่จะทําตามขันลองของการให้พ้นจากทุกข์คือมัดนี้ค่ะใช่ะะก็าการระลึกได้นี่คือสา ม, มาสติละค่ะและ้วแลถ้าผมว่าเราเดินไปตามทางนี้เรื่อยๆคือมันเป็นทางตรงอยู่แล้วอนะนี่คือคทางตรงทางรัดอยู่แล้วแล้วเราก็จะไม่เนิ่นชา้านจะสามารถที่หลุดพ้นจากทุกข์ได้เร็ว ตอนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณเป๋หรือคุณหยุดเดินคุณแวะพักข้างทางนะคุณเที่ยวชมนกชมไม้การเดินทางของเรามันก็จะใช้เวลานานมากขึ้นกว่าคุณจะพ้นทุกคุณก็จะโอ้ยกว่าจะวางได้กว่าจะใจเยน็นใจสบายมันก็จะใช้เวลานะเพราไอ้ความที่เราเป๋ออกนะชมนกชมไม้ของท่านในหมายความชัดๆว่ายอย่างไรคะเช่นว่าคุณขี้เกียจเนะีแบบไม่ไม่ทำต่อเนะี่ยไม่ได้ทรงจิตไว้อย่างนี้ว่าัไนเถอะ นะเป๊ไปนอกเรื่องนอกแนวอันนี้ก็เสียเวลาละนะหรือเป๊ออกนอกทางไปเลยนะมีอะไรมาชนตู้มอย่างเงี้ยแล้วก็เป๊ออกนอกทางนะ ช, ชนตู้มนี่คืออะไรผัสสะไงผัสสะมันจะมากระทบแน่นอนอคนโทรศัพท์มากิ๊งๆิงิพูดเรื่องนี้อา้าวญาติที่เราเคารพรักเสียหรือว่าคนที่เรารักป่วยหมอเขาโทรมาแจ้งให้ทราบโอ้ยชัยนี่แบบว่าแบบไม่อยู่กันเนื้อกัตัวละไปละ ร้องไห้บ้างอะไรบ้างก็คือเปยออกนอกทางแทนดีค่ะเร่งเชื่อว่าทุกคนเนี่ยถ้ารู้คุณค่าของเรื่องวิธีที่จะออกจากทุกข์ของพระาศาสดาแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะเปย์หรอกนะคะแต่ ท, ทั้งที่ตั้งใจเนี่ย ม, ม, มันก็หลุดไปจากตรงนี้ไปเผลออย่างที่ท่านบอกออกนอกทางได้ น, นั่นเป็นเพราะอะไรล่ะคะเออเป็นเป็นเพราะว่าในขณะที่เรากาลังเดินไปตามทางอยู่เนี่ย สิ่งที่มันจะมากวนเรามันมีแน่นอนสิ่งที่จะมาจะกวนเครื่องกวนเครื่องกลางกั้นอุปสรรคต่างๆมันมีแน่นอนเพราะกิเลสเพราะกิเลสเพราะพวกอกุศลธรรมต่างๆที่มันจะมันจะมามันจะมาจากไหนแมันก็มาทางปัจจัแล้วใครเป็นคนสร้างมันมาก็พวกมารทั้งหลายเนี่ยมันมาตามสังสารวัตรนี่เป็นระบบของสังสารวัตเลยตอนนี้เราอยู่ในกระแสตรงนี้อยู่แล้วเราอยู่ในทุกข์อยู่แล้วเนี่ยนะตอนี้อยู่ในทุกข์พระเจ้าทําทางมาให้ ทำทางมาให้ยื่นทางมาให้เข้าใจไหมยื่นทางมาให้ในที่คือมาร์กแปดเราจะไปตามทางที่พี่เจ้าส่องมาให้แล้วเนี่ยได้ไหมแต่ตอนนี้เราอยู่ในห่วงทุกข์อยู่มันก็จะถูกปัดถูกพัดถูกโขมกระนําอยู่เรื่อยๆแน่นอนเพราะมีเครื่องกางกัน้นจึ ง, งทําให้รู้ทั้งรู้นั่นแหละแต่ก็ยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องใเคยเอาไปชมนกชมไม้ ชมนกชมไม้นี่อาจจะฟังดูดีไปหน่อยหนึ่งนะคือ <ED> ถ้าเผล อ, อไปนี่คุณก็จะบุ้มปี๊ดหรือไม่ก็บุ้มบ้ามอะไรอย่างนี้ไปวันวายไปแต่เดี๋ยวฉันคิดว่ามันต้องอเ้าเรียกอะไรคะมีเทคนิคไหมคะ <S <S ที่ <S <S จะทำให้ไม่เป๊ใช่ใช่การดำารงอยู่ในเส้นทางของเราเนี่ยจะต้องมั่นคงพอสมควรและสิ่งที่จะช่วยให้การเดินทางของเราเนี่ย ราบรื่นไดนะ้ก็มีอยู่5อย่างความเป็นใหญ่ใน5อย่างนี้นะใช้คําว่าอินทรีย์เหมือนกันนะคือเป็นใหญ่ในเรื่องของหนทางพุทธเจ้าใช้ว่าอินทรีย์อินทรีย์5้าอย่างคือกําลังของจิตของเราเดิมนะที่เราจะทรงอยู่ในมรรคนี้ให้ได้ก็มนะี5อย่างคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรนะัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้เป็นกําลังในะกําลังที่จะให้เราเนี่ยทรงอยู่ในมรรคให้ได้ okay. ถ้าคุณมีศรัทธามีความมั่นใจนะมีความมั่นใจว่าเส้นทางนี้ใช่แน่นอนฉันจะไม่หลุดจากเส้นทางนี้ไออันนี้จะช่วยคุณให้คุณจำรงอยู่ในเส้นทางนี้ได้ไล่ไปห้าอย่างตรงนี้อ๋คคอค่ะท่านคะเอ่อเท่าที่พูดมาเนี่ยเราเหมือนกับฟังทำอธิบา ย, ยา ง, ง่ายๆเป็นภาษาทั่วๆไปถ้าเป็นพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยถ้าเป็นสำนวนของพระพุทธองค์เลยจะเป็นอย่างไรคะอ๋ออตรงพุทธพจน์บทนี้ พระพุทธเจ้าอธิบายไว้กับท่านพระสารีบุตรนะเกี่ยวกับเรื่องของอินทรีย์ทั้ง5เนี่ยว่าถ้าใครซักคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีความเลื่อมใสในตถาคตนะในการตรัสรู้หลงพ่อเจ้าเนี่ยเขาจะไม่ลังเลไม่สงสัยในตถาคตรหรือในคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่เขาจะหวังสืบต่อไปได้เนี่ยคือความเพีย่ยนแะคือการเพียนในการที่จะตั้งใจแน่วแน่จริงทําจริงในการที่จะทรงจิตของฉันไว้ให้มีอยู่ในกุศลธรรม ไม่ให้มันออกนอกเส้นทางนะนอกเส้นทางคื อ, อกุศลธรรมแล้วฉันจะไม่ไปฉันจะมั่นใจทําจริงๆให้มันอยู่ตรงนี้แตนะ่นี่คือสิ่งที่เขาจะจะหวังได้นะพอคุณมีความเพียรคุณตั้งพอตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้มีความบากบาันมีความมั่นคงมีความกล้ามีการทําจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะหวังได้ต่อไปคือสตินะจะประกอบด้วยสติเป็นเครื่องระวงังเป็นเครื่องรักษาอย่างยิ่ง ร ะ, ะลึกถึงตามระลึกถึงสิ่งที่กระทําหรือคําที่พูดแล้แม่นานได้ตรงนี้คือสติของเขาสติเกิดขึ้น <Okay. S 1> ล ะ, นะผู้ที่มีสติระลึกได้อยู่ในกุศลธรรมอย่างนี้นก็จะหวังสิ่งต่อไปได้คือจะได้โวสคารมโวสคารมก็คืออารมณ์ที่หลุดพ้นจากสิ่งต่างๆก็คือสมาธินั่นเองคือความตั้งมั่นแห่งจิต ค, คือการที่จิตมีอารมณ์อันเดียวนี่คือสมาธิละพราะจิตมีสมาธิแล้วเนี่ยก็จะรู้ชัดอย่างนี้ว่า สังสารวัฏเนี่ยเป็นสิ่งที่บุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้ในเะส้นทางที่เรากําลังเดินนี้มันไปวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นสัทีแล้วก็มีอวิชชาเป็นเครื่องผูกนะมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้แต่มีสิ่งหนึ่งที่จะหลุดพ้นจากตรงนี้ได้คือคือนิพพานแล้วก็พยายามที่จะทําความรู้แจ้งตรงนั้นนะนี่คือเรื่องของปัญญาเนี่คือการทํางานตรงนี้นะศรัท ธ, ธาไล่มาร์กได้ศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจะทําให้เราทรงอยู่ในมาร์กได ไปตามท่านนั่นก็ท่องกันเอาไว้อีกนะคะให้ท่องเป็นการบ้านทุกวันเลยเป็นสิ่งที่พระพุธองได้ตรัสสอนว่าการที่เราจะสามารถที่จะทรงในหนทางของการออกจากทุกข์ได้มันต้องเริ่มจากศรัทธาที่ถูกต้องและมีความเพียรที่จะปฏิบัติต่อไปมีความระลึกได้อยู่เสมอคือสติถูกไหมคะใช่แล้วมีสมาธิมีความตั้งใจมั่นชอบที่จะปฏิบัติปฏิบัติแล้วจะเกิดปัญญา อย่างเช่นลักษณะของการที่พูดถึงสมาธิอย่างเงี้ยว่าการที่จิตมีอารมณ์เดียวนะอารมณ์เดียวเนี่ยคือเราจดจ่ออยู่ในการกระทํำเส้นทางนี้ของเรานะเวลามีภาษามากระทบเขาโทรมาเรารับทราบอยู่ก็จริงแต่เราไม่ให้อิเจ้าอารมณ์อื่นๆที่เป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลธรรมมันเข้ามานะเพราะเราจดจ่ออยู่กับอารมณ์นี้อย่างเดียวอารมณ์นี้คืออารมณ์ที่จิตเป็นหนึ่งอย่างเดียวไอ้อย่างอื่นมันก็มา ก, กวนไม่ได้ละเราก็อยู่ในมัดของเราสบายใจแน่นอนท่านก็ กำลังมาเน้นให้ความสําคัญว่าต้องมีสมาธิแน่วแน่จดจ่อใช่เพื่อที่จะได้ทําให้ตลอดรอบฟังสมาธิเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าคุณต้องนิ่งแบบว่าไม่ไหวติงอะไรเลยนะอันนั้นก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งที่ลึกเข้าไปแต่มากําลังพูดถึงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวยกตัวอย่างเช่นว่าเวลาเราทําข้อสอบหรือว่าเร า, เราประชุมอย่างเงี้ยถ้าเวลาที่เราประชุมเราไม่ได้มาโฟกัสอยู่กับเรื่องที่เราประชุมใช่ไหม เขาพูดอะไรมาเราคิดไปเรื่องอื่นเพ้อไปฝันกลางวันไปเราประชุมไม่รู้เรื่องเลยนะเราจะทําข้อสอบไม่ได้เลยแต่เพราะาเรามีความที่เป็นอารมณ์เดียวอยู่ในเรื่องที่เรากําลังคุยอยู่นั้นในเรื่องที่เรากําลังจะสอบนั้นชื่อว่าคุณมีสมาธิแล้ว<ม>นะเช่นเดียวกันเราอยู่ในการงานของเราเราก็โฟกัสอยู่กับงานของเรานะอ่านหนังสือเราก็อ่านหนังสือของเราไม่ได้ไปคิดฟุ้งซ่านไม่ได้คิดอะไรอันนี้ชื่อว่าคุณมีอารมณ์เดียวมีสมาธิระดับหนึ่งแล้วไม่ได้ยากเลยค่ะ ง่ายลองจินตนาการเวลากําลังดูละครโทรทัศน์อืที่ติดตามอยู่หากเอาอะไรไปทําประกอบพร้อมๆกันไปด้วยเหลือบมาทําสิ่งที่เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ดูละครดูละครมันทีต่อไม่รู้เรื่องง่คิดง่ายๆอย่างนี้แล้วกันอืเพราะเหตุใดคะนันคะก็ดูเหมือนกัว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าคนบางคนเกิดราศีนี้สามารถที่จะรับรู้อะไรได้ชอบทําอะไรสองอย่างพร้อมกันแต่พอทําเข้าจริ ง, รงๆมันถึงรู้แค่อย่างเดียวค่ะ เมันก็ลักษณะการทํางานของจิตมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้ เ, เรื่องราศีอะไรต่างๆนี่ก็เป็นความรู้อื่นๆนะนะทีนี้ว่าในการกระทํางานของจิตไม่ว่าจะจิตพระรูชาจิตของสาวพวกทั้งหลายจิตของบุตรชนธรรมดาก็จะทำงานลักษณะนี้เหมือนกันค่ะคื อ, อ, อที่นขอขอประทานโทษคณะกรรมการ น, นะคะที่ยกตัวอย่างไว้ในเรื่องราศีเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากให้เชื่อในเรื่องพวกนั้นแต่เหมือนกับคนบางคนเขามีความเชื่อเพราะว่าถูกทํานายทายทักนะคะว่า เราสามารถทำสออย่างพร้อมกันได้ถ้าตัดคำว่าราศีออกไปก็คือคนบางคนมีความรู้สึกว่ามีความสามารถทำหลายๆอย่างพร้อมกันได้แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นความรู้พระพุทธองค์ทำได้ทีละอย่างเท่านั้นใช่ไหมคะคือทำได้ทีละอย่างแต่มันอาจจะมาต่อกันได้เรื่องของ multitasking เนี่ยคุณทำอย่างนี้คุณอยู่ไปก่อนแล้วไปทำอีกอย่างหนึ่งแล้วไปทำอีกอย่างหนึ่งแล้วกลับมาทำอย่างแรกแล้วก็ไปทำอย่างที่2ก็คือแสดงว่าแต่ละอย่างที่เขาทำเนี่ยเขาก็จิตเป็นอารมณ์เดียวหมดนะ อ่าเขาถึงจะทำสามอย่างพร้อมกันได้ก็อาจจะเป็นได้นะอือาจจะเป็นได้ค่ะนี่คือเป็นเรื่องของความละเอียดออกไปอีกแต่ที่แน่ๆวันนี้เอาจบตรงประเด็นที่ว่าถ้าท่านมีสมาธิจดจอ่อแต่เพียงอย่างเดียวแล้วในสิ่งที่จะทำก็จะได้ผลดีใช่ น, นะคะ อตัตตอนไม่แค่นี้ก่อนเพราะว่าเวลาหมดนะคะท่ะานค่ะแล้ค่อยติดตามรับฟังกันต่อไป ก, การวัสการขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งนะคะเด่นผ่านวันนี้เราอาจจะได้ฟังเรื่องของทางออกจากทุกข์ที่เราเคยท่องเอาไว้ว่าเป็นมรรคแล้วก็มาพูดถึงว่าอริยมรรคที่ว่ามีองค์แปดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่เป็นเรื่องที่ท่านพิบูลได้ยกตัวอย่างให้เราเห็นว่าเป็นเรื่องสิ่งที่เป็นไปในชีวิตของเรา พื้นพื้นนี่เองแล้วก็สามารถจัดการได้ด้วยมัคที่ว่านี้โดยไม่ได้หมายความวา่าจะต้องไปถึงขั้นเป็นสมาธิขั้นสูงอะไรนะคะแต่ที่ฉันเองอ่ะอยากจะกลาวเปยนถานที่จะบุญถึงเรื่องสมาธิขั้นสูงต่อๆไปในสัปดาห์นี้ก็ติดตามในวันพรุ่งนี้ต่อกันแล้วกันนะคะกราบนวสการขอบพระคุณค่ะ แล้วก็วันนี้เราก็ลากัไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพูทวสวัสดีค่ะ